บายวิธีสอนมืเพื่อนมาเป็นลำดับหนึ่งในความรู้สึกก็ว่าเป็นที่แน่ใจมาได้สอนเต็มภูมิของตอนทั้งฝ่ายเหตุที่ได้เคยดำเนินมาอย่างไร และผลที่ปรากฏขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนั่นํามาสอนหนูเพื่อนไม่ปรากฏว่าธรรมะบุใดที่ไม่ปรากฏแต่เหตุส่วนผลไม่มีแล้วนํามาสอนหนูเพื่อนสอนทั้งเหตุที่ได้ดาเนินผลที่ปรากฏแต่ไม่ได้บอกว่าผลได้ปรากฏอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นเอง หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ครอบไว้แล้วโดยสัวคาตธรรมคือเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วกพรรู้ชอบปฏิบัติชอบการปฏิบัติชอบก็เป็นเหตุให้รู้ชอบและแสดงแดงธรรมโดยชอบธรรมจึงไม่มีอะไรจะเป็นที่ขัดข้องสำหรับผู้จะปฏิบัติตาม อันดาท่านูปฏิบัติที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาท่านก็แน่ใจของท่านทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลซึ่งมีดำเนินมาอย่างไรและผลปรากฏเป็นอย่างไรบ้างท่านนํามาประกาศสอนโลกแทนองค์สองค์ศาสด า, ศามีพระหันเป็นต้นนอกจากนั้นก็มีครูอาจารย์ซึ่งท่านตั้งใจปปฏิบัติและรู้เห็นตามหลักความจริงตามก็ องค์ท่านนำมาสั่งสอนท่านก็สอนเป็นที่แน่ใจของท่านเหมือนกันไม่ได้สอนโดยรูปรูปคําคําตั้งแต่เหตุว่าท่านได้ดําเนินมาอย่างไรและผลปรากฏขึ้นอย่างไรตั้งแต่เหตุตามขั้นแห่งธรรมะและภูมิของผู้ปฏิบัติในบ้างตนจนถึงเหตุนั้นสูงสุสสดและภูมิมันสุดยอด แสดงว่าเป็นไปโดยครอบงูทั้งเหตุและผลทั้งเป็นที่แน่ใจในการสั่งสอนดยเรื่องของตูบาอาจารย์ท่ันทวาจริงท่านสอนอย่างนั้นเพราะท่านรู้ริงนักผู้ศึกษาและปฏิบัติมีความสนใจ และปฏิบัติจริงแค่ไหนมีเป็นปัญหาสำคัญสำหรับพวกเราผู้เป็นนักศึกษาโดยการจะนำไปขบคิดและแก้ไขปัญหาข้อนี้ให้แจ้งชัดขึ้นภายในใจิตใจของตนการสอนข้อใดขรอหนว่าสอนออกจากความิงใจได้ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกหลอดครูบาอาจารย์ ที่ท่านเป็นธรรมมาอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนเอียดและไม่ว่าภายนอกภายในท่านสอนลงอย่างจริงใจถ้าผู้ฟังอย่างจริงใจและปฏิบัติจริงใจทำไมจะเห็นผลจะไม่เห็นผลเป็นที่จริงใจของตนเองแล้ว พราะสวาคาตธรรมเป็นของจริงตลอดสายตั้งแต่ต้นจนนวาสารไม่มีสิ่งใดที่จะแปรปรอมเพื่อให้เสียหวังสําหรับผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมขอนั้นๆเป็นต้นสอนกายชะต า, าสติเป็นต้นเป็นยังไงจึงต้องสอนกายชะต า, าสตินั่นแหละ เราพวกเราหลงอยู่ทุกวันนี้หลงอะไรถ้าไม่ใช่หลงกายจะักตะตานมินเข้าใจว่าไม่มีสินใดที่จะเป็นอุปทานใดโตให้จิตใจละเมอเพ่อฝันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าเรื่องของกายคือหลงกายนี่เองการที่ท่านสอนกายจักราทาสติก็เพื่อแก้วความหลง ให้ถูกตามหลักธรรมชาติแห่งความเป็นของกายเวลานี้เราเสพสารต้านยอขึ้นโดยไม่เป็นความจริงและหลอกลวงตนเองเมื่อจริงใดไม่จริงผลปรากฏขึ้นมาก็ต้องเป็นของปลอมเสมอและทําความเดือดร้อนเก็บตัวเองท่านประกาศสอนเรื่องกายจักรตาสติมานินานเท่าไหร่ แต่พระพุทธเจ้าทุก ๆ, ๆ อ, องค์ไม่เคยล่าเว้นแม้แต่ผมพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ประกาศสอนมาเป็นเวลา 2,500 กว่าพันศาทีแล้วไม่ได้สอนแยกออกไปเป็นอย่างอื่นเพราะการนี้เป็นธรรมชาติความจริงอันหนึ่งอยู่แล้วจะสอนให้ผิดจากหลักความจริงได้ไหมไปไม่ได้ ทำไมท่านเป็นสอนก า, ารเลขาตาติว่าพวกเราหลงในการแบบเป็นของสวยของงามนี่เป็นหลักสําคัญเป็นสิ่งที่น่ารักน่ารักน่ากาำลัง ด, ดีโดยที่ในสิ่งต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายไม่มีชิ้นไหนจะคิดนชิ้นไหนจะเป็นของดีของสวยของงามตามความเพ้อฝันของ พวกคิดเช่นนั้นแล้วลองแยกออกดูตั้งแต่ผมซึ่งอยู่หน่อกๆมีสวยมีงามมีสะอาดที่ไหนเช่นเช็นดำๆเปลี่ยน่างดำก็เป็นขาวเช่นผม ด, ดําีเป็นของสวยงามแล้วก็หม้อที่ถูกไฟมันก็ดําดเหมือนกันอะไคิดดู ถ้าเป็นของสะอาดแล้วตกลงในภาชนะซึ่งเป็นที่รับประทานมีความขายกักขยแยงไว้นะมูลของเส้นผมนี่มีอยู่ทุกเส้นไม่เคยปราศจากมูลมูลใครทราบไหมมามูลคือมีภาษาที่ โลกนิยมครับซือกันพูดก่อมูนความจริงก็คือของตกกระปกที่ไม่พึงปราถนานั่นเองมูนเล็บมูนฟันมูนผมล่าไปมีกี่เส้นผมในบนบนศีรษาของเราและเส้นไหนมั่งที่ไม่ปราที่ปรา้จากมูนคือสิ่งกปกปกโศกไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่เคลือแปลงเลย เป็นเส้นผมที่สะอาดไม่ีเส้นไหนมั่งหมดทั้งศรีรษะนี่แม้แต่เส้นเดียวไม่มีเลยแล้วเราจะหาของสะอาดมาจากไหนในเส้นผมแต่และเส้นไหนเส้นนี้พอที่จะเป็นเหตุให้เกิดความรักความกรนมดรินดีว่าสวยว่างามว่าสะอาดขนก็เช่นเดียวกันอีกมีลักษณะเช่นเดียวไม่มีอะไรผิดแปลกซึ่งอยู่ตามผิหนังเส่นเดียวกัน และเป็นเส้นเส้นเหมือนกันมีมูลของมันประจำอยู่ทั้งตัวเส้นผมเส้นขนและทั้งคุ้มที่เกิดขึ้นมาที่เรียกว่าคุ้มขนเพราะเห็นไรสิร่ง น, น, นี้ทุกเส้นจริงไม่มีข้อยกเป็นว่าเป็นของตานพรเพราะฐานเดิมที่มันเกิดนั้นหมดทั้งฐาน มันเป็นสิ่งที่สพก็ปุกทางไห น, นหนังตรงไหนที่ไม่มีโมเด็ตดิุนั้นมีไหมเราลองคิดดูนี่กายและตาทัสน์พิจารณาอย่างนี้นีหละตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้และตามหลักความจริงของร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตามเรื่องความจริงนี้เองมาได้ฝ <c oughs> ืนความจริงไป เหมือนอย่างใจของพวกเราที่ฝืนอยู่ทุกๆขณะเวลานี้แล้วฝืนตลอดมาจึงกอบความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้กับตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนหาความสุขมาได้เพราะความฝืนพติธรรมดาและฝืนหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างไรให้กลายเป็นอย่างอื่นขึ้นมาโดยที่เป็นไปไม่ได้เราตรวจ ด, ด, ดูให้ดีหนังที่ห้มห่ออยู่ในส่วนร่างกายของเรานี้ มีส่วนไหนที่มีข้อยกเว้นว่าไม่มีของสกรปรกเพื่อแฝงอยู่เลยที่เรียกว่ามูลคําว่าที่ใครจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงมูลน่ะไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวนี้เต็มไปด้วยมูลนี้ทั้งนั้นแล้วที่ไหนมาเป็นที่สะอาดที่ไหนเป็นที่สวยงามเวลาพุ่มห่อกันอยู่ เรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลลองแผ่ออกพี่หนังเป็นแผ่นเหมือนแผ่นเสือ่อเหมือนเสือเส้นหนังบัวหนังควายนั่ น, นแผ่แล้วเป็นยังไงและหนังคนจะผิดแปลกกันไปที่ไหนข้างนอกก็เต็มไปด้วยมูลข้างในก็เยิ้มไปด้วยสิ่งตกปลวกโสโคร มีเลือดและน้ำเหลืองเยื่อมไปหมดคงไหนในหนังที่มีอยู่รอบตัวของเหล่านี้ซึ่งมีข้อยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่สะอาดและสวยงามซึ่งเป็นที่น่ารักน่ากำลัดตามใจที่ละเมอเพ้อฝันอยู่เวลานหนี่ยเอาแยกออกเป็นชิ้นๆให้เห็นตามหลักความจริงของกายจักรา ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกตรงไหนมั่งจะขัดแยง้งในความรู้สึกที่เราว่าไม่เป็นดังที่ท่านตรัสไว้เราเริ่มแต่หนังลงมาซึ่งอธิบายผ่านมาแล้วมีตรงไหนบั่งที่จะขัดแย้งว่างเช่นผมในบนพีษะเราทุกเส้นมีเส้นหนึ่งซึ่งเป็นข้อยกเว้นไม่มีมูลติดอยู่เลยและสถานที่ที่เกิดของมันก็เป็นสถานที่สะอาดปราศจากสิ่งที่โสม ม, ม มีเส้นไหนมั่งเมืเม่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่เส้นเดียวผมก็ไม่มีแล้วขนเรารอบตัวของเรานี้มีเส้นไหนมั่งที่เป็นข้อยกเว้นไม่มีเป็นแบบเดียวกันเพราะฐานที่เกิดของมันเต็มไปด้วยสิ่งที่โส ม, มมดังที่กล่าวมันในกระหนังที่หุ้มหออย่งนี้ในรอบตัวของเราเต็มไปด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่นี่ไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากที่นี่ยิ่งไม่มีข้อยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่สะอาดและสวยงามน่ากำนังกินดีน่าเกิดน่าเกิดนีเ่เป็น อ, อาการที่สองที่สามเข้ามา <c oughs> ผมขนหนังเล็บประเมอนกันแล็บเกิดขึ้นจากขึ้นจากที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นจากหนัง แล้วมีความสะอาด <c oughs> ประจําตัวงมันอยู่ที่ไหนมัง่งในเล็บนี้ไม่ว่าเล็บเท้าไม่ว่าเล็บมือมันเกิดขึ้นจากที่ไหนเท้าเป็นของที่สะอาดหรือเป็นของปกปกฐานที่เกิดของเล็บเกิดขึ้นจากไหนถ้าไม่เกิดขึ้นจากหนังแล้วจะมีพรอยวงเว้นในเล็บไหนมัง่งว่าเป็นสิ่งที่สะอาดสวย ง, งามพิษแตกจากเล็บทั้งหลาย ในบรรดาเล็บที่มีอยู่ในตุบอกของเรานีทุกๆเล็บอาพิจรณานดูมีหลกักกายสขตาสติตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างตรงแนวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมอีกและจะหยิบออกเห็นมากไปหรือเหลือเฟือก็ไม่มีความพอดีนีหลักเรียกว่าหลักมัตสิ ม, มาในการสอนโลกสอนอย่างนี้ ฟันอ่เกิดขึ้นที่ไหนฟันฐานที่เกิดของของฟันนั้นเป็นสิ่งที่สะอาดหรือสมองนีฟันจะได้ความสะอาดมาจากไหนทําความสะอาดทั้งวันทั้งคืนบ้วนปากแล้วบ้วนปากเราแม้จะทําความสะอาดจากตอนเช้าเวลาตื่นนอนขึ้นมาเพราะเหตุอะไไม่อย่างนั้นตัวเองก็ได้กลิ่นคนอื่นและยิ่งผ่านไม่ได้เลย พอพูด อ, อไปมันเป็นไอพ่นตลบตลายไปล่ะทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นไปคิดดูถ้ามันสะอาดมันทําไมเป็นอย่างนั้นขยะขยะแขยงตัวเองก็ยังได้กลิ่นเป็นบางครั้งนฟันแต่และซี่ละซี่มีมูลไหมถามตัวเองให้รู้เพราะต่างคนต่างมี มีมูลไหมมูลนั่นมูลนี้มีข้อ ย, ยกเว้นไหมว่าเป็นมูลที่สะอาดฟันนี้เป็นสี่ที่ยกเว้นมีไหมว่าเป็นสี่งฟันที่สะอาดไม่มีหม่ว่าฟันของใครทั้งนั้นมันเหมือนกันหมดนี่ลองพิจารณาดูสิทาไมจะมาเห็นเรื่องกรรมฐานคือการจะตาถ้าพิจารณาตามหลักนี้จริงๆเนี <c> ่ย <oughs> มันเกิดขึ้นมาจากอะไรฟันเกิดขึ้นมาจากของตะกบรกหนังละเอียดซึ่งอยู่ภายในป่านี่เป็นหนังอันหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นส่วนละเอียดเลยไม่เรียกกันว่าหนังมันเป็นส่วนละเอียดอันหนึ่งนี่แหละเข้าไปข้างในก็เป็นเนื้อเป็นกระดูกฟันก็คือกระดูกนั่นแหละแต่เรียกว่าฟันมันเป็นกระดูกดีดีนี่แหละแต่ที่แยกตามอาการไว้ตามสมมติของโรคที่เคยใช้ามาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนย้ำลงที่สมมุติของโรกเขาว่าหนังก็ว่าตาม ว่าผมว่าผลว่าเล็บมากฟันก็ว่าตามไม่ได้ว่าพาดนอกจากจะประมวลมันเรียบเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเท่านั้นเวลาสอนต้องสอนแบบเดียวกันกับโลกที่สมมติไปแล้วอย่างไรเป็นแต่สอนตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เท่านั้นมันโสก็โสดก็บอกว่าโส ก, ก็โสดมันเป็นยังไงก็บอกตามเรื่องมันไม่สะอาดก็บอกตามเรื่องมันคีรังถาอนหรือไม่ก็สอนไม่ตามเรื่อง <c oughs> อันนี้เข้าไปถึงปัน <c oughs> เส้นเอ็นแต่และเส้นแต่ละเส้นเป็นยังไงมีอะไรสะอาดไหมกระดูกทุกท่อนซึ่งมีอยู่ในส่วนร่างกายของเรามันเป็นที่หน้าที่หน้ากำนัดดีดีไหมหน้าสวนามไหมมันเต็มไปด้วยอะไรกระดูกมันก็เป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเมื่อเอ็นที่เกี่ยวข้องติดกันตลอดทิ้งเลือด หรือบุกโพโลหิตก็เรียกผสมกันอยู่ภายในร่างกายมันมีส่วนไหนส่วนที่สะอาดบรรนาส่วนที่มีอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกัอยู่กับกระดูกไม่มีส่วนไหนเลยเยิ่มเพรากของไม่สะอาดทั้งนั้นเริ่มจต่หนังเนื้อเป็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหมักหัวใจตับทางผืนไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่า รวมหมดในส่วนร่างกายมีอาการไหนบ้างที่เป็นอาการได้รับพ่อยกเว้นว่าเป็นของสะอาดหน้ารักไข้หน้ากำหนักยย น, น่ายินดีหน่าเพลินน่าเพลมีอาการไหนม้างที่เจ้ามาทั้งหมดรวมแล้วเ <c oughs> อย่กว่าอาการสามจุดสองน้ําอยู่ในลําคลองยังดีกว่าน้ําอยู่ในส่วนร่างกายของเรา เราต้องคิดดีให้ดีห <c oughs> นังรองเท้ายังสะอาดยิ่งกว่าหนังในร่างกายของเราไม่ น, น้าใครอยากแฉะเหมือนหนังรองเท้ า, าถ้าเราจะแก้ตัวเองต้องคิดเทียบเทียงอย่างนี้แล้วทุกส่วนในร่างกายนี้มีอวัยวะส่วนไหนซึ่งได้รับยกเว้นว่าเป็น สิ่งที่แปลกจากอาวัยวะต่างๆในร่างกายคือเป็นของสาดเป็นของน่ารักมีที่ไหนกระดูกก็ดูให้ดีแยกออกทุกชิ้นทุกชิ้นชิ้นไหนจะเป็นชิ้นที่น่าชิ้นที่น่ากำนัดยินดีที่น่ารักน่าชอบใจเอาไปดูตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาก็ได้จะดูตั้งแต่ข้างบนจากกระโหลกที่สะลงไปก็ได้ ชายังเห็นไม่ชัดเอาดูให้ดีคนตายกับเวลากับคนยังเป็นอยู่เช่นเรานี้กระดูกมีอะไรผิดแปลกกันไหมเราไปเห็นกระโหลกศีรษะคนตายทําไมขยับเขยงมาเห็นกกระโหลกศีรษะคนเป็นทําไมตื่นเต้นหนังคนตายเป็นยังไงไหมหนังคนเป็นไมันหนังอันเดียวกันทําไมเห็นหนังคนเป็นแล้วตื่นเต้นนะเห็นหนังคนตายแล้วกลัวผีหนังอันเดียวกันกลัวมันอะไรนี่เป็นเรื่อง ที่จะตื่นเต้นก็คือเรื่องหลอกตัวเองมาสัาก่อนไม่หลอกไม่ตื่นคนเราถ้าพิจารณาตามหลักของธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตื่นเต้นในโลกนี้จะมาไปหมด <c oughs> มียเรื่องกายและกถาสถิตมีพูดถึงเรื่องความตกปกโสมมของส่วนร่างกายหรือว่าพูดถึงเรื่องความปฏิกูลนับตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปจนถึงข้างในที่สุดและทุกชิ้นไม่มีส่วนไหนที่น่าพึงปรารถนาในร่างกายของเราและของไขก่ก็ต่างหากได้พิจารณาตามนี้แล้วจะไม่หลง และจะเป็นความสบายไม่กังวลปลอยภาระในสิ่งเหล่านี้ได้อุปทานจะมีมาจากไหนเมื่อไม่มีประทานซึ่งถือภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แล้วทําไมจะไม่แสนสบายเราการพิจารณาเรื่องกายสุขตาสตินี้เราได้แบบภูเขาทั้งลูกไว้บนบ่าเลยเราถึงหนักนะไม่อยากจะพิจารณากันแต่กานแบกอารมณ์จนกระทั่งถึงความเดือดร้อนบุญมาถึงใจ รับฐานมาได้นอนไม่หลับนั้นไม่ไม่เป็นธุกข์ต่เอเลยต้องพิจารณาให้ดีถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาอย่างนั้นที่ปัญญาเอามาใช้อะไรถ้าไม่ใช้กับสิ่งเหล่านี้นอนอยู่ก็งโง่นั่งอยู่ก็งโง่ยืนก็งโง่ฉันก็งโง่ปีอาบททั้งสี่มันเต็มไปด้วยความโง่แบกตั้งแต่ความโง่อยู่ทั้งวันตายวันยั่งค่าก็ตามเถ็กไม่มีอะไรที่จะเป็นคนดีสําหรับโมฆะบุตรคนนั้นขอให้พวกท่านพิจารณาให้ดี อุบาวิธีที่ผมสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นบางรายอาจจะราคาญก็ได้แต่ผมไม่สอนเพื่อให้ท่านราคาญสอนเพื่อให้แก้ความโง่ของตนนี่ <c oughs> เราจะทราบไหมว่าเราโงูด้วยเราฉลาดไปนล้วของมีอยู่เห็นอยู่ด้วยตารู้อยู่ด้วยจิตใจของเราเพียงในกายของเราเท่า น, นี้อยู่กับตัวของเราทำไมจึงไม่สามารถจะมองเห็นตามหลักความจริงทั้งๆ ท, ที่มีอยู่เป็นหลักความจริงร้อยเปอร์เซ ฝืนไปไหนหนีจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางเดินอันถูกต้องไปไหนเข้าขวาเข้าหนามให้เกิดความเดือดร้อนบุนบายนี่้วนแต่เข้าขวาเข้าหนามทั้งนั้น่ะเหยียบขวาเหยียบหนามไปทั้งวันทั้งคืนเพราะผิดจากหลักธรรมหากมาเราจะดําเนินตามหลักธรรมแล้วเพียงกายกตาสติเท่านั้นเราก็พอแล้วที่จะรับความสุขเป็นที่เย็นใจสมานจิตนี่แยกออกเป็นอาการอาการเรื่องกายกตาสติ ทุกท่านเลยพิจารณาเมื่อแยกเป็นอาการออกไปแล้วเอารวมตัวเข้ามาก็าเป็นก้อนของกายนี่ก็คือก้อนอสุภะก้อนปฏิปูลก้อนซากผีดิบนั่นเองซึ่งยังมีชีวิตครองตัวอยู่เท่านั้นแต่นอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ต่างจากคนตาดมันเหม็นเหมือนกันทั้งข้างนอกข้างในไม่มีส่วนใดที่จะหอมหวนชวนให้ดมชวนให้ชมชวนให้รักชวนให้กำนังอิ่ม ถ้าพิจารณาตามหลักความจริงดังที่สอนมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเมื่อเป็นนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดเราต้องพิจารณาดูที่พระองค์ท่านสอนตามหลักความจริงดั้นเราฝื้นหลักความจริงไปเข้าป่าเข้าลกเแยบความแ ย, บ, ยบน้ําร้อนทั้งกลางวันกลางคืนพอมองข้ามความจริงนี่เลยนี่เลยมีพูดถึงเรื่องความสกป็กโซมก็กตมมเต็มหนึ่งแล้วพูดถึงเรื่องความแปรก็มันก็แปรอยู่ตลอดเวลา ที่ไหนจะเป็นที่ชิ้นไหนจะเป็นชิ้นที่ไว้วางใจว่าไม่แปรหมดทั้งร่างของเรานนี้นะเป็นทุกข์ก็เหมือนกันมันทุกข์อาการมมนมีอาการใดที่ยกเว้นว่าไม่เป็นทุกข์แล้วควรหรือว่าจะเป็นอัตรามันอยู่ในฉากเดียวกันถ้าเห็นชัดตามหลักความจริงแล้วจะถือว่าเป็นตนที่ไหนได้มันตั้งแต่กองทุกข เหมือนกับอยู่กลางกองเพลิงซะแล้วเลยถ้าปัญญาไม่ฉลาก็ตายกองกันอยู่ในกองเพลิงนี่หละจะให้อธิบายอย่างไรให้ฟังทําไมถึงรุ่วมนอนแล้วพิจารณาอะไรทุกวันนี้ถึงรุ่มร้อนตรงไปหากระแสโลกไปหาอะไรกระแสโลกโลกมันคืออะไรถ้าไม่ใช่โลกธาตุโลกขันโลกดินน้ํานมไฟโลกปฏิกูลโส โ, โลกนี่จะเป็นโลกอะไรได้ความพิเศษที่โสมมาจากไหน ทำไมไม่ยับยัง้งจิตใจไม่ทําไมไม่พิจารณาจิตใจของตนเองพอเห็นตามหลักความจริงนี้จะได้มีความสะดวกสบายยืนเดินนั่งนอนจะเป็นสุขเป็นสุขและการพิจารณาธรรมะเพื่อการตอบถอนตนเองทำไมเห็นว่าลําบากถ้าหนึ่งภูเขาทั้งลูกมาทับอยู่บนศีจักแต่การจะปล่อยจิตใจให้ระเมอเพิ่มขึ้นไปตามสิ่งต่างๆจนเกิดความเดือดร้อนไม่มีวันถอนตลได้ทั้งวันทั้งคืนนั้นทํำไมเห็นมาเป็นของสะดวกสบาย จะให้ทุกข์จนตายหรือท่งจะวทุกข์ตายแล้วจะรู้สึกทุกข์เมื่อไหรถ้าไม่รู้สึกในเวลานี้และเวลาปฏิบัติตามหลักธรรมะพทุทธิจาอยู่นี้จะหาโอกาสรู้ที่ไหนผมว่าไม่มีวันรู้ตายที่เมื่อปล่านั้นนหละนี่อาจารย์ผมเอาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนหมดกําลังความสามารถนี่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้สอนอย่างนี้ไม่ใช่เอามาหลอกหมู่เพื่อนปฏิบัติมาอย่างนี้สอนอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้มืนกัน ถ้าเห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจะต้องเกิดความตลวดสังเเตศในความโง่ของตนอย่างเต็มที่โง่ต่อกายโง่ต่อเวทนาโง่ต่อสัญญาโง่ต่อสังขารโง่ต่อวิญญาณมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปลอมตั้งหลับะจะหลอกมูรุษตาฝังแต่ถ้ารู้ตามหลักความจริงแล้วมันจริงทั้งนั้นรูปก็จริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจริงตามส่วนของมัน <c oughs> มันไม่ได้มาชักชวนให้เราหลงแต่เราเป็นบ้าหลงมันต่างหากเพราะบ้าภายในชังเรามันมีอยู่แล้ว เหนบ้าไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้วันรู้คืนนี่ที่มันแค่ยากพูดตามธรรมะส่วนละเอียดก็คือบ้านั่นเองแล้วขออาภายยัยอย่าผมพูดอย่าพูดตามหลักความจริงเมาเล่ามาควราเป็นบ้าอะไรอย่างงั้นมันก็ยังรู้เวลาเวลาที่สามเมาในรูปในชมในทักสี่ขันห้าดิบน้ํานมไปเมาเรื่องเขาเมาเรื่องเรานี่นี่ไม่มีเวลาแล้วจอดแวะก็ไม่มีเวลาจะจอดแวะได้ หาที่ตรงที่วางก็ไม่ละหนักทวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะหาความสุขความเจริญมกฝนมีทานมาแต่ที่ไหนเมื่อปล่อยให้ภูเขาทับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ภูเขาก็คืออารมณ์นั่นเองนี่เรื่องอธิบายเรื่องกายและกัตาสติพวกท่านเข้าใจหรือยางทำ ใ, ให้เข้าใจพิจารณาให้เข้าใจมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในทุกรูปทุกนา ว่าใครจะชื่อว่ายังไงครจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรธรรมชาติที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีอยู่อย่างสมบูรณ์ถ้ายังสติอย่างปัญญาลงไปที่นี่จะเห็นความจริงและไม่ต้องสงสัยทั้งไม่ต้องละเมอเพ้อฝันไปนอีกแลยจะไมีเวลาพักผ่อนจิตให้สบาย ส, ายสายักทีหลักความจริงนี่แหละจะเป็นสถานที่จอดทักได้อย่างเย็นใจสมาจใจ เพียงขั้นกายสกัจสตินี้พอสมควรที่จะมีความสุขความสบายในการประพฤติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชซึ่งมีหน้าที่พร้อมอยู่แล้วเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแม้จะเป็นส่วนละเอียดจะหนีจากปัญญาดวงนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้ตามไปหมดตลอดสายลเียจะไปแสงอยู่ทางรูปทางกายทางสัง ทางเมตนาทะยาางขานวิญญาณแฝงอยู่ที่ไหนก็ตัางตามรู้ปัญญาไม่มีอะไรที่จะถ้าเหมอได้่องทะลุไปหมดแม้ที่สุดจิตซึ่งเป็นสถานที่เกิแดแห่งกิเลสการมาธทั้งหายก็สามารถรู้ได้ขณะฐานเดิมจริงๆก็คือเกิดขึ้นจากจิตเพราะจิตยังไม่สามารถแฟลตัวเองจึงไม่ อาจจะกลั่นกรองตัวเองให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหน่อยว่าเป็นวัตถุที่ควรรับทานก็วัตถุที่เป็นอาหารก็คือนางเชือด้วยคิดเป็นหัวเผือกหัวมันแม้ <c oughs> จะเป็นอาหารก็ตามแต่ถ้าทําไม่ถูกตามหลัก <c oughs> ซึ่งควรจะเป็นอาหารได้มันก็เป็นภัยต่อร่างกายเหมือนกันฉะนั้นถูกเป็นนัก ในสิ่งอย่างนี้จึงต้องรู้วิธีปฏิบัติต่ออาหารประเภทนี้แล้วนำมาทำอย่างไรจนสำเร็จเป็นอาหารอกษอขึ้นมาอย่างดีและสมบูรณ์ตามภูมิของอาหารประเภทนั้นๆจิตใจก็เหมือนกันเมื่อมีสติปัญญาแล้วจะต้องเป็นลักษณะเดียว ก, กันกับแม่ครัวปรุงอาหารจนให้มีรสมีชาติอย่างเป็นที่ได้เร่องนี้เต็มไปด้วยความขม ข, ขื่น เต็มพดรวมความเดือดร้อนเต็มพดรวมความรุ่มหลงอยู่ในจิตนั่นหมดเพราะจิตนั่นเป็นบ่อแห่งความเดือดร้อนแห่งความรุ่มหลงจึงกระจายออกมาภายนอกออกทางตาก็หลงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปหมดออกทางใจของตัวเองก็หลงเพราะหลงใจประมวลเข้าไปประมวลเข้าไปด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญามีตติ เป็นคู่เคียงอยู่เสมอ แ, แล้วเราต้องรู้เข้าไปเป็นลนํำดับําัๆจนกระทั่งถึงที่สุดแทนสมมุติที่มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นแล้วถอนออกได้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นสมมุติแม้แต่นิดฝังอยู่ภายในจิตนั่นเลยนั่นแหละคือจิตล้วนๆคือจิตที่บริสุทธิ์แท้หาทุกข์ที่ไหนไม่มีเพราะคําว่าทุกข์ก็คือสมมุติคําว่าสุขก็คือสมมุติเช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นสุขในหลักธรรมาชาติของมันที่เป็นเอง กับความบยสุดที่เท่านั้นไม่มีความสุขอื่นใดจะเป็นความสุขที่แน่นอนอทุกท่านนำปฏิเสธมผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงต้องเป็นคนจริงฟังจริงปฏิบัติจริงเอาจะทุกข์ขนาดไหนก็ให้ทราบว่าตนทำงานต้องเป็นทุกข์ไม่ว่างานชิ้นไหนชอวะขึ้นชีวะทำงานแล้วต้องมีทุกข์เกืออยู่ด้วยกัน มีการประกอบการงานอันนี้ก็เป็นการงานชิ้นเอกที่จะลืมถอนลอพ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องกลับมาเรียนว่าตายเกิดอันเป็นบอกกังวล น, นี้อีกต้องเป็นงานที่ทุกข์เช่นเดียวกันทุกข์เพื่อผลอั น, อนร่ำเลิศประเสริฐนี้แต่ทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์ไปพระพุทธเจ้าเคยผ่านมาแล้วและพาพวกเราท ำ, ทำมามากกว่าพวกเราแล้วเห็นไหมในตำหรัตำลังสลบสลายไปสีครั้ง ไม่ทุกจะถึงสรุปถลายหรือคนหรอกการสรุปถลายก็จะเป็นผลของทุกที่เหลือกำลังก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนั่นความ่มอยากทางแค้นไม่มีใครจะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปลงถึงเป็นกรรษัตริย์แล้วออกไปท ร, รมานฝึกพระองค์อยู่เช่นั้นตล้วหนึ่งว่าคนอนาถาทำไมจะไม่ได้รับความทุกข์แสนสหาหัสบวกเรานี่ไปที่ไหนก็มีผู้ดูแลรักษาเรื่มใสศรัทธา เบนธมาศก็เต็มบาทมาทุกวันระบบจีวรที่อยู่ที่ยวใส่ไม่มีสิ่งใดบกซ่องมีแต่สมบูรณ์บริบูรณ์จนนอนใจลืมตัวเนี่ยตา ก, กาคาโรโอปิสังหันติมนุษย์ผูงโง่มันตายด้วยควานอนใจเพราะไม่รู้สึกตนไม่สำนึกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรยินละนอน นอนใจเป็นสิ่งสาคัญเวลาคิดอ่านใ่เรนอนอยู่ในความง่ายหนาบก็ว่าของดีเหมือนยังหมูนอนอยู่ในโคนในตุ่มว่าของดีเลื้อยชุดลากออกมาจากนั้นก็ขึ้นเฉียงเขาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหน้าทีของหมูมีทั้นั้นหน้าทีของคนโง่คนเขาของคนขี้เกียจก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องขึ้นเฉียงของพบของชาติสับยําให้เกิดให้ตายอยู่ตลอด จับตลอดกันนี้เท่านั้นแหละเรื่องแล้วเราจะเลือกเอาอะไรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะเลือกเอาอะไรเป็นสารกแกนสารจะให้เป็นหมูอย่างที่ว่าหรือจะให้เป็นพระครับในว่าผู้รรรประเสริฐการเพก่ปฏิบั ต, ติต้องให้เป็นเรื่องของพระจริงๆอย่าเอาสิ่งใดมาปรอมแปลงแฝงอยู่ภายในเรื่องของพระภายในองค์ของพระภายในใจของพระนาะที่การงานทุกทุกอย่างให้เป็นไปด้วยหลักธรรมหลักที่ไห มีเหตุมีผลทุกด้านพร้อมมูล น, นี่ที่ว่าเป็นเรื่องของพระถ้าอย่างนี้พระหาได้ยากหาเอาในตัวนั่นแหละแต่หายากเพราะขี้เกียจ อ, อ่อนแอจะทําอะไรเล็กน้นกอยก็เป็นของลําบากของยากกวิ่งถ้าเขาเลยหายากที่ไม่เจอเจอแต่การหลับการ น, นอนการขี้เกียจขี่ค้านต่างๆนั่นแหะเจอแต่ความเดือดร้อนหาอะไรมันก็เจอนั่นสิ หาข้นี้ทําไมจะไม่เจอผมกหมดปัญญาสอนหมู่เพื่อนมาไม่ว่าส่วนยาบส่วนกลางส่วนลเอียดไม่ว่าภายนอกภายในสอนยําแล้วยําเหล่ามองเห็นหมู่เพื่อนแต่ละองค์ละองค์ที่ผ่านสายตานี้จะต้องจ้องมองดูด้วยความเป็นห่วงด้วยความสงสารไม่ใช่ด้วยความจับผิดจับโทษเพื่อจะอามาย่ํำดี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 ทั้งที่ผ่านสายตาเพื่อนคาดอย่างไรแล้วสอนหรือเข้าใจว่าพูดเล่นหรือเข้าใจว่าเป็นนักบทหรือเข้าใจว่าเป็นนักตำหนิกิ่งไม่รู้สึกตัวหาความยยบคายไม่อีก ผู้สอนจะทายแลย้วนะผู้บายวิธีที่จะนำมาสอนนี้ไม่ใช่อามาอย่างง่ายๆ <c oughs> แทบตายมาเหมือนกันใครจะตั้งใจก็ตั้งใจทิศทาว่าได้ปฏิบัติดังที่ดังที่อธิบายมานี้จะไม่เหนืออำนาจของความเพียรของความสุกขทรมานตนไปได้จะต้องอยู่แน่นอนไม่มีทางออก ชาคติปัญญาในตามรู้ตามเห็นกันคู่ประจําหน้าที่การงานทุกคนที่กําลังบําเพ็ญอยู่นั้นจะฝืนไปไหนคนหนึ่งเตรียมจะรู้ล่วงของตัวเองอยู่แล้วแล้วมันจะไปที่ไหนเมื่อเราเตรียมรู้นอกจากว่าเราจะไม่สนใจเท่านั้นมันก็ออกไปตามกระแสะของมันที่เคยเป็นมาตั้งกลับตั้งกันเป็นมาอย่างนั้นเหมือนกัำน้ําที่ไหลลงทางต่ำพอาะปราศจากสิ่งที่ ปิดกั้นมันก็ไหลลงไปถ้าว่ามีสิ่งปิดกั้นมันก็ดูความปิดสิ่งปิดกั้นเนีน่ยหนามันคงก็ได้รับประโยชน์จากน้ํานี่เหมือนกันเช่นกันการแสดงธรรมก็เห็นในพื้นที่ส่วนตัวที่ปิดกันน้น